แล้วพี่เจ่าก็พิจาณาผักเยียพรยามตามเรือของท่านเราจะเห็นได้อย่างสมัยเราโจย์าสาคูระบดตาสดตามตานานยาพระพิฆเนงในคืนันั้นเกียนจะสว่างยาสาคูระบดเบื่อหนายในแปลว่า เป็นวิหารธพันเป็นอยู่ของท่านยังตาคุณอาบุด มี่ิเลสปัญหาอยู่ในใจเป็นของควาเมเปนอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่จะลงาเพือรักเพื่อถอนที่จะลงาเพื่อบังเพลนในถึงจุดหมาตายทายการบัเพนธรรมะการคุจรรณาธรรมะก็ห น, นีไปจากปติปัญญาเื่อจสติปัญญาเป็นสังละเลขธรรมคือเป็นเ่อนขัดเกล่ ยุติปัญหาออกจากกายอาจาใจทั้งตนธรรมะเป็นของทุกคนที่จะต่อแสวงหาจิตหมู่หลังในความสุขความริขของใจเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทําจิตทําใจในรู้เห็นตามเป็นจริงได้ทําจิตทําใจในสบายสงบ บยงโลกมันมีทางที่จะไปสั่งแสงจิตใจให้ตวางสวัยให้จิตใจมบานลาถอนขี้เหล็กนย่งโลกคือเรื่องวัตถุวัตถุทองเงินทองตลอดถึงการอารมณ์ต่างๆเป็นเรืองของเด็กที่ลืมหลงไม่รู้เท่า ความสุกอันจริงจังหรือที่ไหนก็เลยลืมหลงไปเสดไปปิดในอารมณ์ท้างาต่างๆางว่าอันนั้นจะสุขอันนี้นจะสุขก็สุขเฉพาะคนหลงสุขเฉพาะจิดใจชอบสุกนั้นเมื่เราไม่ชอบม่จิดใจก็หายไป เป็นทภัยแต่ตัวอีกเรืเอเ่องของโลกเรื่องขางอารมณ์ภายนอกเป็นอย่างนั้นทุกท่านต็อเคยคุณผูกชมมาเช่นเสียงวางรำทำเคร่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, รง ต, ต่างๆในสมัยที่เราไม่เคยอุดมตึกจิตตึกใจอะไรมีู่ที่ไหนก็นชอบ เกิดาลำบากห่างไกลปู่ตาไปพอใจชอบใจจิบเหนื่อยหงายงอนเหน็ดเหนื่อยเหน่อยหูป่ตาก็ใจชอบใจินดีเหนื่อยเปื่นฐานของจิตจิ่ยังมีธรรมะเกิดแสงต้นไปแบบนั้นจต้นเกก่ตามผู้ใหญ่ก็ตามผูกเท่าก่อตาม เดี๋ยวทำายสสารเรื่อทั้งจิดใจโดยทำยินดีติดข้องในรูปเสียงจุดดิ่นรสสัมผัดเรื่อยไปเพรใจยังไม่มีผู้เกาะผู้อาศัยแต่ใจมีผู้เกาะที้อาศั ย, ย, ม, ศยมีธรรมะใายในเสียงที่เราเคยชอบจิตติดข้องพอยียงเอลเากลับมา ยินดีใพอใจสู่ธรรมชาติเี่ยวหับสงบสมดุลไงรูปกลมกืนกันนวารูปอะไรที่เราเคยติดก่อนในวารูปมนุษย์รปวัตถุทั้นี้ทางนั้นเป็นด้วยเขาใจของเราที่ไม่เคยปฏิบัติก็ชอบ ได้ไม่นานแต่เราจะยินดีพอใจแต่ตามยินดีมีพอใจนั้นในเด็กไข่ชิดที่เรามาเย้รูปนั้นมันจะแตะตัวและจ่าเป่าไ ต, าตาที่เราจะจากป่าไตส่วนนั้นคนถึงมีใจมันมีอาจมีธรรมในตัวมีอะไรสึ่งก็เป็นทิศเป็นภัยเสียตัวเองแผลเขาตัวเองทาให้ใจทั้งตัวเราร้อนทำให้ใจทั้งตัว กลางรวมคือคนที่ในนีออาจมีทำเมื่อจิตใจเนอาจเป็นธรรมรูก็ดีเสียงก็ดีมันมีอยู่ในโลกแนที่จะปิดขวางหนุนคนธรรมดาจิตของพาดไว้ใจกันในเช่นอย่างนั้นเจนก็สัตว์ปรห็ น, หนได้ยินก็สัตว์ประหุนมมนมีการยินชอสจุ ไมเหมือนนั้นหนึ่งคือจิดกพจาเ่งมือนนั้นตามเป็นจรผ่านมาแล้วได้อัตถิการพิจาราเด็กตนกับพิจารณาตามเลื่องของตนพิจาราตนของตนเท่านั้นมันถูกไปหมดเพราะรู้ไปอยู่ในนี้เฉียงไปอยู่ในนี้กลิรสสัมผัดอยู่ในนี้คนที่ลืมหลงไปจุดขวาง้ายนอกคือคนหนึ่้ธรรมะ เอ๋แตง่ายยงกินนอนดูตัี่ยวข้องกับเอสรุปเวลาใจจิตจิตเป็นได้สวยดงานอยากมา้มาเปนสมบัติของเรานั้นเดือเช่นใหญ่รูปตอนลาข้ามคูอชายก็อยาได้รูปหญิงคือหญิงก็อยาได้รูปชายส่วนรูปวัตว์อื่น เปนบริวารังรูปอันนี้รูปคือเราหลงว่ามันสือมันใหญ่มันใหญ่รูปของเราดีรูปของเขาดีเราคนที่จมาตามธรรมะคือพระพุทธเจ้าสอนจิตใจจึงหลุเหลงมิตคล้องเผยเทิญความจริงรูปที่ตั้งอยู่ไม่มีอะไรหน้าดูหน้าเลือนงใส่ไมมีอะไร ที่จะมาเข้าถึงแจ่นของโลกจริงๆไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยที่จะมาเปลี่ยนตัวแนั้นรูปทัวไปในโลกจะเป็นรูปที่มีริมยานหรือหายริมยานไม่ได้มันก็รูปอันเดียวกันมันมีการตั้งขึ้นว่าก็่ฟูนแปดสลายเป็นสภาพเดียวกันหมดทั้งโลก อึงไม่มีทางจะสงสัยพูดถึงบ้านก็นมาฐานอาศุาอาศุทางเรารูปที่มียนดันคล้องอยู่ก็ยึนเป็นรูกที่ตกกระตบหน้าตาลูกที่นี้มียึดยานคลองจนมนุษย์สัตว์เห่านี้เป็นรูกที่กระตบมากแต่เราไปดูพิจามณาหลงผนะิไหน้าทางนอกส่งเขา ระบาดประดาตกแต่งต่างๆถ้าหากถลกนั้นออกไปรืปอย่างนั้นไม่มีความหมายอะไรแถมที่จะรักใครชอบใจสำ น, นึกตัดตัวจากเป็นอะไรต่ออะไรไปอีกไม่ใช่แต่กลัวเดียดอีกลองลองดูคนที่มีแผลตามห่าตามตาตามแข้งตามขา หรือตามมือตามทางแนม้ามันเลืองไหลเยิ้มอยู่ทุกเวลาเวลาเขามาจัดภาชนะอาหารหรือนอนดื่มเราจะไม่พอใจพอเห็นสิ่งภายในจากหนังเข้าไปมันเป็นอย่างไรมันไหลออกมา จริจตรับใสุจริตเต็นใจสุจริตหลงไหลหาสุจรมตภายในจริงจังคนที่มีจิตใจรู้เห็นอย่างนั้นท่านจึงมาเติมต้นมหลงไหลไปสถานที่ใดรูปกัจัยบรรลุร ท, จจะะ ท, ะทีพอดูกันได้พอนั่งเด็กกันได้ก็พออาศัยการชร ะ, ะสตอยู่ทุกระยะเวลา ในอาบน้ำเคียงในกี่วันกลิ่น ต, ตัวมันะเหม็นขุ่นขึ้นันมีอะไรที่จะหอนในตัวมนุษย์จึงจะลมออกจากตากจะติดเทนั้นถ้าหาไม่ต้งตร่ายสายสมนุษย์กลิ่กล่มาดีมันชกินคือเปว้อนขายได้เป็นกลิ่นที่เราชอบในยุความทั่วไป ต่เรไมาเตีงใดมันจึงมีก่นเนากลนหลุนด่างนะ็อายไหมต้องมันตรงนข้งเน่าของหมุนเตียใดมันจึเห่าขึงหมุนของเก่ารับทางลงไปันลงไปทุกวันเป็นของเนาของหมุนทนั้นทิ้งเอาไว้ทังคืนทั้งวันหาไม่อื่นเรือไม่เกด่ยวไไม่ขจนเพีอของนั้นจะเน่าจเส่งกล่น้า้ามาถึงตัวของเราตัวของเราจเน สองเน่าม่ใส่คล้องหยุดคล้องดีอะไรหนาอก็เน่านั้งก็เน่ามัา น, น, น, น, จ, น, นจะค้องเน่าคล้างเหมนแต่คือเราเห็นปิดข้องใจก็มาเห็ที่กจรณาภายในว่าอะไระส่วนนี้มันมีความสวยงามขี้ไหนอะไรที่หอหมหวนชวนดึอะไรที่มันคงท้าวอนอะไรที่เป็นสุข เพราะขาดธรรมะภายในข้าใจหนูเห็นจริงหนูใจหลงมันก็หลงเหลืไปธรรมะจึงเป็นเครื่องชำระใจใจฝึกเรื่องไปเห็นเข้าใจชัดเจนในเรื่องต่างๆจึงหนมีการฝึกข้อหนมีการใส่หนองหนมีการเถิดเชิญเข้าใจตามเป็นจริงสนุกตังเลย แทนที่จะเป็นเหตุให้เกิดลาภปาัญหาเกิดสลบตั้งเลือในจิตในใจอยู่เขาหลงเขาหลงเขาเกิดเขาเพลิน ต, ต่างๆนั่นเองมันตรงกันข้าอย่างนั้นดันั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่งองสคัญจะทำให้เราท่านได้รับความสุขความสบายเพราะการห่วงเหน่ห่วงในจิตในขวั้งรู้ตัวต้องตัว อ, อย่างไรทั่วโลก อดีตที่ผ่านมาว่าแสนปีล้านปีก็เป็นอยู่อย่างนี้อนาคตเมื่อเราตายไปจะเป็นอย่างไรก็มีทางสงสัยพระปัจจุบันบอกยังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ของโลกคนที่ลืมโยง็เลืมโยงเดียไปคนที่รู้ก็มีอะไรติดจะไปจุดข้องท่านทีอยู่กับโลกเหนือเขาใจใจของเราใจของท่านติดอยู่เพืปฏิบัติอาจทำ ไม่เพิดเพ ล, เลินไม่ล่มหลงเพราะเห็นตามเป็นจริงในสิ่ ง, งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นความสะดวกสบายภายในจิตสะดวกสบายมากเพราะไม่เหออยียไม่ยาดในสิ่งต่างต่างจังหวสงบตลอดการ ก, ารก็ถูกหยุดของท่นในมีการหลังไหลเอื้อมเอียงไปตามเลื่อนรูปเสียงดินลบที่สัมับ พอเข้าใจเหตเเเุการที่จอมาตัวทั้งตัวแถวนั้นเลยรู้ใจเทั่วทั้งโลกเหตุการที่จะมาจำเป็นที่เราทุกท่านจะรวมสุขจะรวนจิตใจทั้งตนขพราะความลืมหลงทำให้เรารรบรรลทุกเข้เสื่ อ, อย่างเข้าใจเสื่ อ, อย่างเห็นจริงเสื่ อ, อย่างใจจะต้องปล่อยวางละถอน พอเราําคัวมาสิ่งนั้นเป็นของดีท่องดูพอผู้ชายที่จะมาโดยจริงจังมันมีอะไรดีมันมีอะไรที่จะติดใจอยากมากเน้นกันก no er. ับเขากระดาษหรือใบตองห่ของเงาเขาหนึ่งเข้าใจว่าเป็นห่อของดีมีคุณค่าไปเห็นก็อยากเกับอยากเก็บด พอไปเปิดกบญจังของนั้นเป็นของสกปรกของนั้นเป็นของทื่หาคนณค่าไหนได้ของนั้นเป็นของทู่นม่เกลียดเราจะต้องเดินขึ้นในจิตใจถึงทางนอกนันจะเสียงานขนาดไหนจะทางไหนมันเป็นอย่างนั้นนี่คืการที่จะมาขากถันที่จะมาตัวเองพราะทกอย่างทุกเวลามันจะออกมาให้เห็นอยู่แล้ว ไล่ว่าจะออกทางตาทางจมูกออกทางหูทางปากออกทางทานเท้าหนักท้าเบาหรือออกวามขุ้นขุนมันจะได้นหนึ่งดอกอยู่แล้วต่เป็นเครองเงาเครืองหนุนของหน้คุณขายสาประโยชน์ขายไม่ได้ทามาไดยงมงายจุดข้อเพืินกวรจะ ถึงไหลติดข้องเราสิ่งที่ตกระกบว่าสมาสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขสิ่งที่ราเที่ยงมาเที่ยงมีความสาคัญหน่งหมายต้องจใจโดยทั่วไปที่เหนที่จะมาต้องติข้องว่าของเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะธรรมะในตัวเมื่อมีธรรมะในตัวเรื่องเหล่านี้ถึงจะมีอยู่ วันไห่ไรมาหรือจะมีตาทางหน้าแล้วก็มีทางแสงใสจใจมันรู้เท่าเข้าถึงเรื่องสิงห่านั้นตามเป็นจริจะไปเพ้อพวนลนมหลงอะไรใอย่างเดียวทางนั้นเป็นเรื่องสาคัญ โ, โ, โลกโกรธหลงก็คือเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องอืงงองน่นศีลสมาธิปัญญาก็คือเรื่องของใจเรื่องใจเป็นเรื่องสาคัญมาก หากใจหลตายแต่คอหลงแต่ดวยเขาตายไปผู้รับใช่เรื่องของใจส่วนกาหนดยินดีในว่าขาตัหาต่างๆมันเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะจะทดสอบรู้ก็ได้เอาคนตายสืบเคยเป็นนักเรียนการต่างๆไปที่เทอมกันไว้มันจะมีอะไรชอบ ทำอะไรกันอีกไหมมีต่อมาที่ให้มันจะเน่าจะหมุนเป็นไปตามเรื่องทั้งหญิ่ ท, ทั้งชายที่เขาชอบลากรักกนมาจะเก่าก่อนเคยส่วนสนกันมาเก่าก่อนเคยเกิดเพินในเรื่องของตาร ม, มาลาค่าต่างๆมาจะเก่าก่อนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางในใจ ของกายต่างหากในเรื่องของกายเกิดไปเรื่อมดมนไหมเกิดไปกรหนาำยินดีเรื่องเรานันคือเรื่องของตายไม่มีความหมายอะไรหาขึ้อมาถึงแก่นทองทำแล้วไม่มีความหมายเยื่างของกายมันทน้าที่ของมันเกิดมาก่อล้ะเบิดระดับสายมันจะ็ีอย่่างแต่จะไหนจะไรเรายังไม่ที่จอมามันก็จะมีอย่อย่าง เราที่จะมาเห็นว้ามันตึงอยู่ในทางไหนันก็เป็นอีอย่างถ้าเราไม่หลงนันก็ไม่อยู่อะไรตจะมาพรมาใรนใจเร่งใจหลงจเป็นเรื่องสำคัญจทุกท่านควรจะแก้ไขถ้าใจขอมันหลงเรื่อยไปมันก็หลงมันมีทางจะต่างจะเบาไเพราะมันมีธรรมะ เป็นส่วนรักษาจิตใจเพราะเเห็นเด็กภายในของตนวันนั้นคนปิดตัวอายุยังมากแต่ยังหลงเถิดเช่นมีหนังในวิเชียรทีไหนเอ้าไปดูไปชมกันพอความหลงในรูปในเสียงต่างๆเราจะดูเรื่องของเราในดูดูแต่เรื่องภายนอกเนี่ยสงออกนอกนั่งประนมีวัน คื่จะอินน้ำต้มราได้ถาหากเป็นอาหารจะมีมากขนาดไหนไม่ไปทานก็ไปในตับในท้องทั้งตัวจงนี้จง น, งนี้มันก็ไม่มีเวลาอินถ้านม่เอหาหมนั่งกันอยากจะให้น้าอุ o ่นต้องเอาไม้นุ่มมาห่มหามาปกปิดกายทั้งตัวถ้าส่งไป้างนอกไม่เอาเข้ามาขาม้างในมันก็ไม่มีอะไรที่จะอุ o ่นได้มันจะจ ะ, จะเย็นจะหนาวเรื่อยไปอย่าทานะ ทำสอ น, นของผู้ใจจ้าสอง น, นี้นกันทำมาโดยสอนไปที่อื่นสอนที่กายที่สิตของเราจากนั้นทุกคนฝึกเปนนักปฏิบัติจึงควรพิจาราเหตุผลน้อมทำเข้ามาสอนเต็มยๅษีมังกรจิตใจที่ถูกฝึกอบรมจิตใจ จ, ใจจะสงบจิตใจจะเมาจิตใจจะสมายจิยตเป็นของสนได้ถ้าจิตไหวจิ ตังคันตังสุขาวันหงหยุดฝึกดูแลนำฝึกมาให้เราจะฝึกอย่างไรก็ฝึกเดืวย ส, สติฝึกด้วยปัญญาที่มิตรโยมาอนยะู่เรื่อยไปอย่าปล่อยให้ใปลอยไปตามวิเวทตัญหาตามตัญญาอารมณ์กําหนดสังวรเลีย่ยงอาไว้ึงใดที่จะเป็นทิพย์เป็นภัยแก่ตัวหักห้าอย่าไปติดตาม สิ่งใดที่จะ ท, ทาใจใิตทำทใจเหงาหงอยทำจิตทาใจเหงสลดต้งเวทเป็นเวทไปให้จิตถอดถอนจากิเวตัญหาทเจรมาเรืเ่อยเข้าไปถึงใจจะมชอบใจจะมายินดีก็มันทีนิจทีจรมาบังคับบังชาให้อยู่ในกรอบต้องทำคนที่ตั้งใ ที่เจอมาอย่างนั้นมีสตประจำถาดุันประจำตัวมีปัญญาสอนจรงที่ชั่วให้เห็นโทษควรละควรปล่อยางอย่างไรควรยาละไปถึงละยังไม่ได้ก็สิชี้เหตุจิผลขงันหมามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชอบกินหรือพอใจกิงหรือแบรูป เราช่องากเราเุดมันดีมันเด่นยิ้มไ้ไหมันเมือกมันลายจีมันตกออกไปยิ้ได้มเมือกคู่จีมันถ่ายออกถาชอบทาไมยิ้มไม่ได้เลือดจีมันหยดย่อยออกน้องจีมันไหลออกจากบาจากแผลจากสีเป็นทองหยู่ทองดีต้องควรจะรักหรือเราน้องก็ดีเรียดก็ดี เมื่อขวดก็ดีน้ำเหลืองก็ดีมันไหลออกมาจากที่ไหนถ้ามันไม่ไหลออกมาจากกายก็กายจนกล่องของเน่าท้องหมือนเปลือยใดจนไปติดใจชอตใจยิ้มดูอย่างพยายามสอนมันเปลี่ยนใจมันเห็นมันรู้ตามความตปนจริงใจจะเบื่อจะหน่าย ใจจะปล่อยจะวางหนะ้าการที่โยมากายมันเป็นเรื่องการบรรเทาราคะพระพี่โยมมาถูกทางพระพี่โยมมาจิตทางส่งเสรมเห่เห็มไปตามเรื่องราคะตัญหาก็กำหนับยินดีไปได้ท่านท่านัี่รู้นั้นมันผ่านไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีม่มืออยู่ในรับเวลานะงในกะติยหารของตัวแต่ไป เอาสัมดาเริ่มจิตครรู้เครเห็นจิตเคยผ่านมาในอดีตมันไม่คิดจิตก็เกิดกำหนัดจิตก็เกิดความยินดีสุ่มๆหมาดๆไปได้จิาตไม่คิดเป็ น, ปนทางชั่วมันยังหลงได้ยังเพิดเพลินได้ทั้งทั้งที่มันีวัตถุหนังนั้นอยู่กับเราแต่มันหลงไปได้เยื่อมันเป็นอย่างนั้นการที่จะมาธรรมะภายใน ที่จะแก้ไขจุดใจจะทำงานเดียวกันถึงทำมายังมาเกิดไม่จนแต่เรากับพี่โอมาโดยบ่อยเข้าใจัองเราก็มีทางที่จะสงบร่างนักเป็นทางมันเทาหายใจเบาใจสบายตัวของตัวเองท่ามันเป็นพระเป็นมือเป็นคนมีอัดมีทำถึงจิตยังไม่เรียมสงบจนหนึ่ง หรอยังไม่ถอดถานกิเลสให้หมดไปจากใจเพมาะไม่ใดต้มีตัวเพราะทุกยันทุกเวลาทุกระยะเราเด็กที่จะมาทำาดู่แต่เราต่อยจิตจิตตามอารมณานอกเราเองก็มีใจถึงยังไม่ได้ก็ดีใจเัาไม่ถึงก็มีใจเพได้จะทา มาดูตัวั B ้งคนกับอาเรณ์ภายนอกกับเรื่องทั้งโลกในทางที่จะเอมาทางสอนตนจิดมันฝึกได้เรียนได้ในเลื่อยุติสยถ้าจะต่างใจกำหนดทางกันจริงจังพระพุทธเจ้าก็ดีภาริยสง์ก็ดีทำใจเป็นผู้ทุกชมนต้นหามาเหล่นกัน ทำทำไม ท, ทำบมากทำมีอะไรสิบแ่แตกต่ตตางกับพวกเราถาสี่ทั้นหานยยกันในใ่หรือหรือทำนีเขา่ามีหานจ่าในชะ่ไหมเราจะาา่เะมะ ห, ม, ม, ห ม, มืนกันมีครบาวามบริบูรณเหยื่อถาดทั้งสี่ถาดสตปัญญาจะมีถาดจะทำหัวมือถาจะไม่ทำหัวมีอมันก็ไม่มีพอปล่อยลันไป ไหลตามอารมณไม่ราบว่านอยู่กับอะไรไปกับอะไรทั้งๆตัวเป็นชาเป็นเมนเป็นมรรคปฏิบัต <c oughs> ินั่รักษาตัวเครื่องตัวใครเล่าเขาจะมารักษาให้เราจะต้องตั้งใจแบบเต็ตัวของเราเมอยัยงไม่เข้าถึงความสงบสันักความอาาัศจรรย์ มันก็ยากก็ลำบาอยู่เนธรรมดาแต่ถึงยากก็มีคุณค่าเหนือโลกจึงควรทำพอไปถึงความสุขความสบายความอัศจรรย์ที่เราไม่เคยประสบพื่เห็นมา ก, ก่อนเกิดขึ้นเติมขึ้นในตัวของเราแล้วตอนนั้นไม่ต้องบังคับบัญชา ไม่เห็นได้ยากไม่เห็นได้ลบาบากก็เดี๋วดีถ้ามันเป็นใจมันคลอยใจมันด่ากระทำหาดใจกระทำขาตามมันเพ่เป็นอันเสียใจเปนทึกตําหนึตัตมมตวคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นจะเพิดเพลินเมือเมาทำงานอันอื่นมากา่งานกระทำมันเพ่งกันทำไรกายใจเงตนไม่มี ใจตั้งนาตั้ง้าตะ้งนาส า, าสางเรื่อยไปตลดอดทั้งคมีใจบริสุทธิ์ก็อีดนี้กันแทนที่ท่านจะลอยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราบริสุทธิ์แล้วอยากจะทาอะไรจะทาไป่นเป็นอย่างนี้นดูทะเบอใจจ้าแล้วพาเรียจ่าถั่วไปในอนุสุทธ์ทะอยู่เองไหนที่ทำทำชั่วทำเสียเมื่อท่านสําเร็จเป็นอรหรัตอรหรันต์ ท่านทำดีจิตใองทานในงในทางชั่วทางดีแต่ทำต่อมาเคยทานอกขอบเขตของทรรนนี้หาไปไปม่งมั่นรักษาปฏิปทาหรือวิหาวะธรรมของท่านอยู่ตลอดวันต่อวันผ่านไม่เคยเล่นได้ก่อส้างอันนั้นได้ก่อสร้างอันนี้ไป ปูกเสษนั้นแล้วปกเนี้ปลกเงทันองนั้นใจแข็งทันปตะเศนี้เศวั